อาจารย์ครับกลับมาวัฒการครับผมเจริญพรเป็นยังไงสบายดีครับผมสบายดีอยู่ครับอาจารย์ครับถ้าหายใจก็ถือว่าสบายดีครับก่ขอบพระคุณครับยังหายใจอยู่ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้มีคนฟังอยู่เกือบห้าร้อยคนแล้วครับอาจารย์ครับมีคนมาลองฟังอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามอาจารย์คำถามแรกเช่นเคยนะครับ ช่วงนี้ก็ตามข่าวอ่านข่าวไปข่าวมาก็มักจะได้ยินข่าวคนได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศกันอยู่เรื่อยครับพระอาจารย์แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยช่วงนี้จริงๆแล้วก็ในชีวิตที่ผ่านมาก็ยังถือว่าได้โลกธรรมฝ่ายดีอยู่ครับได้ลาบได้สรรเสริญได้สุขอยู่มากพอสมควรครับแต่ว่าในจิตใจมันก็ยังมีความกังวลอยู่เสมอเลยครับว่าเอออีกคู่ตามมันจะมาด้วยครับผมก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์ครับวันนี้ขอโอกาสพระอาจารย์เมตตา พูดถึงโลกธรรมไม่ฟังครับแล้วก็เรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อโลกธรรมอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับโลกธรรมนี้เรามักจะพูดว่าเป็นโลกธรรมแปดครับแปดเพราะว่ามันมาเป็นสี่คู่ด้วยกันโลกธรรมคือสิ่งที่ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องสัมผัสกันไม่ต้องเจอกัน ก็คือรามยศสเสริญศุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนากันเพรเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขกันแต่ไม่รู้ว่ารามยศสเสริญศุขนี่มันมีทั้งส่วนที่เจริญนะส่วนที่เสื่อมเวลาเจริญก็จะดีใจกันมีความสุขกัน เวลาเสื่อมก็จะเสียใจมีความทุกข์กันวิธีที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นคือไม่ยินดียินร้ยนายกับโลกกรรทเวลาได้ลาบ ม, มาก็ไม่ดีใจเวลาเสียลาบไปก็ไม่เสียใจการจะทำให้ ไม่ดินไม่ยินดียินร้ายกับราบยศสรรเสริญสุขได้ก็ต้องไม่ไม่อาศัยมันไม่พึ่งมันเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจนั่นเองถ้าถามใดยังพึ่งราบยศสรรเสริญสุขมาให้ความสุขกับใจถามนั้นก็จะต้องมีความวิตกกังวลมีความห่วงใยในราภยศสรรเสริญสุข ที่ได้มาว่ามันจะมีวันเสื่อมไม่ช้าก็เร็วไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายดนั้นจิตใจก็จะต้องมีความทุกข์มีความกังวลโหยงใหญ่กับเรื่องราญุสลเสริญสุขตลอเดเลยว่าตลอดเวลาแล้วบางเวลาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเจอความเสื่ เช่นช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไัยทำให้คนไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติคนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทำไม่มีราบไม่มีเงินเดินเข้ามาก็จะเจอภาวะของความเสื่องของราบยศสารเสริอมศดก็เลย เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยลาภยศรเสริญสุขเป็นเครื่องมือให้ความสุขเช่นนักบวชทั้งหลายเราไม่ได้แสวงหาเราไม่ได้อาศัยลาภยศรเสริญสุขให้ความสุขกับเขาเขาอาศัยความสงบของใจเป็นเครื่องมือให้ความสุข แต่ที่จะหาลาภยศสารเสริญสุขเขาก็หาความสงบขึ้นจากการปฏิบัติธรรมรักษาสิง น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาการปฏิบัติเหล่านี้จะทําให้ใจมีความสุขเมื่อมีความสุขก็ไม่ต้องอาศัยความสุขจากลาภยศสารเสริญจากเมื่อเสียงกินรสต่างๆ นี่คือวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เราไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องราบยศเสริญสุขก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่จากการหาความสุขจากราบยศเสริญจากเสียงกิ่นรสต่างๆก็มาหาความสุขจากการทาใจให้สงบด้วยการถือศีลด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิด้วยการทำเท่การทำา กเเกิดปัญญาที่จะนำมาใช้ในการกล่อมสอนใจให้ละความโลภความโกรธความโงต่างๆที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบนี่คือวิธีการที่ถูกต้องซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จาเป็นว่าจะต้องเลิกละละโยชนระเสริญสุขแบบทันทีทันใด ใช้วิธีแบบลดละมันลงไปเหมือนกับเวลาที่เราเลิกสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นภัยกับเราเช่นสุบบุรีเดือดสุราหรืออบายมุขต่างๆถ้าเรารู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็ยังไม่มีกําลังที่จะเลิกมันได้แบบทันทีทันใดเราก็ใช้การลดเป็นขั้นตอนไป ลดทีละสิบรแล้วก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากแบบเดิมมาหาความสุขแบบใหม่คือมาฝึกสมาธิกันทาทเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละสร์ก็ได้เราละลลดสารเสร่อสระเสร์เซเราก็จะมีเวลามาให้กับการมาสร้างความสุขทางจิตใจ จากการฝึกสมาธิสิบเราเซ็ตละละยี่สิบเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นในลาภยศแลเสริสุขมันมาแล้วก็เพราะเกิดจากการหาเงินทองของเราจากการทำงานทรมาหากินนั่นฉะนั้นถ้าเราลดความต้องการในลาบยศและเสริสุขได้แล้วก็ลดการทางานให้น้อยลงได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาใช้กับการสร้างความสุขทางใจ ความสรบด้วยการปฏิบัติธรรมนี่คือถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของราภยุสรเสร่สมถว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกังวลใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่ามันจะมามากมาน้อยหรือไม่มา เมื่อมันเกิดความไม่แน่นอนมันก็เกิดความกัวงวลใจขึ้นมาถึงแม้จะมีความสุขจากลาบยศเสริญสุดแต่ในขณะเดียวก็มีความกัวงวลใจแล้วความเสียใจเวลาที่เกิดความเสื่อมเสียปรากฏขึ้นม า, างั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าลาบยศเสริญสุดนี่มันมีความทุกข์ตามมาด้วย ถ้าไม่อยากจะทุกกับราบยศสรเสินสุขก็ขต้องเลิกเสกมันเพื่อการเปลี่ยนวิธีมาเสกความสุขที่เกิดจากความสงบก็ค่อยเป็นค่อยไปรเริ่มมาฝึกนั่งสมาธิวันไหนเวลา ม, มีเวลาว่างทนที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเร่ดูภา พ, พยนตร์ฟังเพลงเ่ออะไรทันนองนี่ ถ้าเอเวลานั้นมาฝึกนั่งสมาธิเราต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาเวลาที่เราหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบกันแล้วพอเราเริ่มทำแล้วได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่า ว่าเป็ความสุขที่เมื่อเรารู้จักวิธีทำมันให้ทาให้มันเกิดขึ้นมาได้เราก็จะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยมันมั่นคงกว่า mm hmm. แน่นอนกว่าถ้าเรารู้จักทามันแล้วเราก็จะทำให้อยากจะเพิ่มความสุขที่เกิดจากความสงบให้มากขึ้น mm hmm. เราก็จะละการหาความสุขทางลาบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสให้น้อยลงไปตามเรา จนถึงขีดหนึ่งเราก็จะสามารถไปโบสถได้ไปอยู่แบบนักโบสถ์ได้นี่คือวิธีการที่ปฏิบัติจนบรรลุธทำขั้นสูงก็จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของป้าจิตของท่านนี้เปรียบเหมือนกับหย ด, ดน้ําบนใบบัวจิตของท่านนี้เป็นเหมือนใบบัวส่วนล่อง ก, กระทำนี่เป็นเหมือนหย ด, ดน้ํา ถึงแม้ว่าจะสัมผัสกันแต่ไม่ซึมซาบไม่ดูดเข้ากันไม่ดูดเข้าหาแต่ต่างฝ่ายต่างอยู่พระพุทธเจ้ากับป้าหลานท่านก็ยังมีคนถายปัจจัยยุ่งยอกสรรเสริญแต่ใจของท่านไม่ได้ไปดีออกดีใจในเวลาที่เสื่อมไปเสียไปท่านก็ไม่ไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะใจของท่านนั้นเป็นเหมือนใบบองไม่ดูด เอาลาบยศละเสริญเข้าไปไม่เหมือนกับใจของพวกเราผูุ้ชนนี่เป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมพอเอาน้ำหยดลงไปหยดทันนี้มันดูดท้ายไปหมดเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษไปเลยเราต้องมาเปลี่ยนใจของพวกเราจากเป็นการเป็นกระดาษซับกระดาษซึมว่ามันเป็นใบบวัวด้วยการปฏิบททัติศีลสมาธิปัญญานี้ อันนี้ก็ตอบโดยสรุปข้าวๆเอาแค่นี้ก่อนนอกจากถ้าคุณบอกยังอยากจะให้พูดเพิ่มเติมก็เชิญถามได้ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกระจ่างแล้วครับผมเนี่ขอโอกาสถามปัญหาของเพื่อนๆนะครับพระอาจารย์ครับคำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณรัชนีครับเรียนถามพระอาจารย์คนที่ถึงพระนิพพานต้องผ่านขั้นโสดาบานันสกิทาคามีอนาคามีเป็นลําดับไปไหมคะ หรือว่าไม่ต้องลําดับขั้นก็สามารถถึงนิพพานได้เ อ, อ๋อต้องผ่านนะมันเป็นขั้นบันไดเป็นเหมือนกับการศึกษาต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนอกจากพวกที่ได้เป็นโสดาได้เป็นอะไรมาจากชาติก่อนแล้วว่าโสดาบันนี้ถ้าเกิดท่านตายไปก่อนท่านก็ต้องกลับมาทําต่อท่าก็ไม่ต้องมาทําขั้นโสดาบานันท่านก็ทําขั้นสกิรดาคาขึ้นไป ถ้าสกิรณาคาแล้วกลับมาเกิดท่านก็ไม่ต้องทําขั้นสกิรณาคาท่านก็จะทําทขั้นอนาคาขั้นอาหารหันไปตามเหมือนกับเวลาที่เราย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเราย้ายโรงเรียนเนเราเคยเรียนจบอยู่ชั้นไหนจบป .6 เราก็ไปต่อปอ .7 เลยเรามร .1 เลยเราไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ป .1 ใหม่เนี่ยม .6 ใหม่ป .6 ใหม่ เราไปทัดใบเลียงต่อได้เลยการบรรลุธรรมก็เช่นเดียวกันมีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาขั้นสกิดาคาขั้นนาคามีและขั้นพระาาถ้ายังไม่ได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งเลยก็ต้องเริ่มที่ขั้นโสดาบันไปถ้าได้บรรลุแล้วก็สามารถทําต่อได้ถ้าเกิดเราย้ายภพชาติจากภพนี้ไปชาติหน้าต่อถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเราก็จะไม่ เสื่อมลงไปเป็นผุุ้ชนพอเราไปเกิดใหม่เราก็ไปทํางานต่อได้เลยคําถามเจ้คุณทรงธรรมครับถ้าเกิดสัตว์ฆ่าสัตว์สัตว์ตัวที่ฆ่าสัตว์เป็นบาปไหมครับอาารสัตว์นี้จะไปฆ่าสัตว์อื่นหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปฆ่าเขานี้บาปนะครับขอบขอนุญาตอาจารย์ถาคําถามก่อนนะครับคําถาม มีคนสาธุเข้ามาเต็มเลยครับ <c oughs> จากคุณวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าในโลกใบนี้ไม่มีความดีแท้และไม่มีความสุขแท้ใช่ไหมคะนี่ความดีแท้สุขแท้มันอยู่ในใจของเราความดีแท้คื อ, ค, อคือการกระทําที่ไม่เกิดโทษกับตนและผู้นี่เรียกว่าเป็นความดีแท้ความสุขแท้ก็คือความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่มีวันหมด คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราได้จากสมาธิจากปัญญามีอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันเขาในโลกนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นความสุขเราไปสุขกับมันเองรอบแล้วเราก็ไปทุกข์กับมันเองเขาในโลกนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เช่นเงินทองมันไม่รู้ว่ามันเป็นสุขไม่เป็นทุกข์แต่ใจของพวกเราที่ไปสัมผัสมันนี่แหละไปไปสุขไปทุกข์กับมัน ความโง่เ่าเบาปัญญาคำ ถ, ถามจากคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับทําไมสมัยก่อนถึงมีการสร้างรอยพระพุทธบาทครับคือการรอยพระพุทธบาทนี้ก็เป็นการทาเลื่อนถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้านี่อันนี้เป็นเหมือนคล้ายกับเป็นการสอนอนุชนรุ่นหลังเวลาเห็นรอยพระบาทจะได้ เป็นเหมือนปิิศนาธรรมว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นรอยพระบาทก็เป็นรอยเทา้ารอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงเดินอย่างไรดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรเราก็เดินตามจเจริญรอยพ้าบาทที่เราเรียกว่าที่เราใช้คำพูดก็คือพระพุทธเจ้าทรงดำเนินตามแม่มาแปดนี่ทรงดำเนินทางทานสิงภาวนา มั่แปดถ้าย่อลงมาก็เป็นทานสิงาวนานี่ถ้าเราอยากจะเจริญเหมือนท่าพุทธเจ้าเราก็เดินตามรอยที่พระเจ้าได้ส่งเดินก็คือปฏิบัติทานสิงาวนาเหมือนกับที่พระเจ้าได้ส่งปฏิบัติมานมันก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อไปเพิ่งทราบวันนี้อ า, าจารย์รอยพระพุทธบาทรอยทาง อ๋อครับผมให้เดินตามไปใช่ไหมครับอาจารย์คำถามจากคุณวริยาครับกาดรรศการพระอาจารย์เจ้าข่าขอสอบถามเพื่อนเมื่อก่อนปฏิบัติธรรมถือศีลทาบุญแต่พอมาทำงานแล้วสิ่งที่เคยทำหายไปและพูดจาไม่ดีไม่เพาะเลยเจ้าค่ะอย่างนี้ถือว่ากรรมเก่าไหมคะอยากเตือนสติแต่ไม่กล้าเจ้าข่าได้แต่มองหง่ <c oughs> ง า, า, าง รักษาศีลต่อทาบุญต่อก็อยังสามารถที่จ ะ, ะมีวาจาที่สุภาพได้มีความคิดที่ดีได้แต่พอไม่มีการทำบุญไม่มีการรักษาศีลกิเลส ท, ที่เป็นตัวอยากคายมันก็จะออกมาแสดงตัวที่เราทำบุนรักษาศีลเพื่อกาจัดหรือกำหลักกิเลสตัณหาที่เป็นตัวอยากคายทั้งหลาย สมัยนี้ยกนี้เห็นไหมความอยากใายมันออกมากันอย่างมากมายเพราะไม่มีการทําบุญไม่มีการรักษาศีล <คะ S 1> ถ้ามีการทําบุญมีการรักษาศีล ก, กันกิริยาอาการอยากคายต่างๆนี้มันจะออกมาไม่ได้เพราะศีลมันจะควบคุมไว้คําถามจากคุณวีนาครับความดีไม่มีใช่ไหมคะเพราะบางคนทําดีให้ความรักผู้อื่นอย่างเห็นลาบากมาก เพราะคนนั้นมีบาปมากใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกความดีมีอยู่เพียงแต่ว่าเราไปโยงผลของความดีไปในสิ่งที่มันไม่ไม่ใช่เป็นเป็นผลของการทำความดีพวกเราทุกคนคิดว่าพอทำความดีแล้วจะต้องเป็นคนรักเราชอบเ ร, เราไม่เกลียดเราเลยแล้วเราจะมีแต่ความสบายอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของผลของความดี เรื่องผลของความดีนี้อยู่ที่ใจของเราเวลาเราทําความดีใจของเรามีความมีความภูมิใจนลนวใจเราจะเลื่อนขึ้นการทําความดีนี้จะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นใจของเรานี่ก็เหมือนกับข้าราชการที่ทําดีก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ขั้นตําแหน่งของใจไม่ใช่อยู่ที่เป็นนายร้อยนายพันนายคน ขั้นของใจอยู่ที่การเลื่อนขั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นโพรหจากโพรหไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือขั้นตําแหน่งของใจที่ได้เกิดที่เกิดจากการทําความดีต่างๆของใจไม่ได้อยู่ที่ว่าทําความดีแล้วจะมีการเจริญทางลาบนยศเสริญ ส, สุข น, นั่นเป็นเรื่องของโลกธรรม โลกธรรมนี้สามารถเจริญได้ในหลายวิธีเจริญด้วยการกระทำบาปชอ่อโกงก็ได้บาคนชอ่อโกงก็ร่ำรวยได้บางคนชอ่อโกงก็ได้ตำแหน่งสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเ ข, เข้าใจความหมายของขํามทำความดีใน พ, พุทธศาสนาว่าผลที่จะเกิดกับผู้ที่กระทำความดีนี้เกิดที่ใจของเขาทั้งความสุขและความเจริญ ทำความดีแล้วจะมีความสุขถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลตอบแทนถึงแม้จะว่าไม่ได้รับคาขอบคุณหรืไม่ได้รับเกียรติบัติแต่ใจของเขามีความสุขจากการทําความดีของเขาอย่างเวลาที่ตอนนี้พวกเราเห็นคนื่นคนที่เขาไปช่วยแจกข้าวแจกของให้กับคนยากคนจนเขาไม่ได้อะไรตอบแทนเขามีแต่เสียเงินเสียทองแต่สิ่งที่เขาได้คือความสุขใจใจของเขามีความสุข แล้วใจของเขาสูงขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าใจของเขาเริ่มไปกลายเป็นเทวดาไปแอยากมนุษย์นี้ใจก็จะกลายเป็นเทวดาทาั้งทั้งที่ร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เริ่มเป็นเทวดากัแล้จากการทําบุญทําทานของเขานี่อย่างในมีสุภาษิตในาศาสนาที่พูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์นี้แต่ใจอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ บางทีก็เป็นเทพบางทีก็เป็นเปรตบางทีก็เป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานมันอยู่ที่การกระทำของเขานั่นเองถ้าทำบาปเนี่ยใจของเขาตกต่ำทันทีไม่ต้องมีใครมามาด่ามาว่ามาสาบมาแช่งมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำบาปแล้วใจจะเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างทันที โดยที่มันยังไม่ต้องรอให้ร่างกายนี้ตายไปคุณภาพของใจนี้มันเปลี่ยนไปตามการกระทาทันทีมากหรน้อยเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็กิดอยู่กับการกระทาว่าทำมากทำน้อยดางนั้นขอให้เราอย่าไปมองผลทาง <c oughs> ลาบยศเสริญสุดอันนี้ไม่ใช่เป็นผลวัดความดีและความชื่อขอให้เราดูที่ใจของเรานั่นแหละเป็นหลัก ถ้าเราทําบาปนี่ถึงแม้จะไม่ถูกจับเข้าติดคุกติดตารางแต่เราจะไม่สบายใจเราจะมีความวิตกกังวลปวดจะถูกเขาจับเรารู้ว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาในใจของเราวัดที่ใจของเรานะแล้วเราจะเข้าใจว่าความดีมีจริงบุญมีจริง บ, จร ง, ง, บงบาปมีจริงผลของบุญผลของบาสมีจริง แต่มันอยู่ภายในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันได้อยู่ที่ราบโนสนเสือสนศุขคำถามจากคุณโสพิดาครับโยมอยากทราบว่าเวลาแผ่เมตตาทําไมถึงลืมตาไม่ขึ้นทั้งๆที่มีสติอยู่ตลอดเวลาขอขอบพระคุณที่เมตตาเจ้าคะ่ะก็เป็นธรรมดาเวลาหลับตาเวลามันจะลืมตาตรงทีก็ต้องใช้เวลาเท่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไร ความจริงเวลาแผ่เมตตานะี้มันไม่ได้โยมไม่ได้แผ่หรอกโยมนั่งคิดไปในใจเองว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่วิเวณกันเถิดอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดบทแผ่เมตตาเป็นการย้ำเตือนใจว่าเราจะต้องแผ่เมตตาให้แก่ผู้เวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเวลาที่เราพบปะ ก, กันเนะี่ย ถ้าเรายิ้มใหเขาเนี่ยเราแสดงว่าเราแผ่เมตตาแล้วถ้าเราแยกเที้ยวใส่เขาเนี่แสดงว่าเราไม่ได้เราแผ่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทใส่เขาแล้วคำถามจากคุณอุ ค, ครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเราทำบุญให้ทานแล้วความปิติสุขไม่ได้เกิดขึ้นในใจอย่างชัดเจนเท่ากับเราไม่ได้บุญหรือเปล่าคะกาบขอบพระคุณค่ะคือความปิติสุขนี้ <c oughs> มันจะเกิดก็ยามที่แล้วมันเราทำบุญแบบที่เราประทับใจถ้ามันไม่ประทับใจนี่บางทีมันก็ไม่เกิดเช่นถ้าทาบุญแบบที่เราไม่เคยชอบทำแต่ถูกชวนให้ทำเราก็ทำไปโดยเสียไม่ได้หรือเราไม่รู้ว่าการบริจาค ก, กันของเรานี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรเราก็จะเกิดไม่มีความรู้สึกปิติไม่มีความส แต่ถ้าเราทําบุญที่เราเห็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราว่าได้ช่วยให้คนนั้นคนนี้สัตว์นั่นสัตว์นี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หรืได้มีความสุขขึ้นมานี่เรามักจะเกิดความปิติสุขมากกว่าเช่นเวลาเราไปถ่ายชีวิตของวัวควายที่เราเห็นว่าวันนี้ถ้าเราไม่ถ่ายชีวิตเขาเขาจะต้องถูกฆ่าตา ย, ยานเมื่อเราคิดถึงตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นวัวเป็นควายแล้ว จะต้องตายในวันนี้ต้องมีคนมาถ่ายชีวิตเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาได้แต่เวลาบางทีเราถูกเชวนบอ่อยจากเช่นช่วงนี้บอ่อยจา ก, กระถินนี้เราก็ไม่รู้ว่าเงินกระถินไปทําอะไรบ้างอย่างไรวันนี้ทําแล้วเราก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าเราไม่รู้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญของเราเนี้เกิด เกิดเกิดกับใครเกิดกับอะไรอย่างไรก็ต้องเราต้องรู้ผลที่จะเกิดจากการทําบุญของเราเราถึงจะเกิดความปิติเกิดความสึก ข, ขึ้นมาแต่ว่าก็ได้บุญไหมครับอาจารย์ครับก็ได้บุญคือการที่เราชนะความตนหนีของเราความโหวเงินทองของเราหรือหรือได้บุญจากการที่เรามีความเมตตา เือมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็ได้คือได้จัดการเสียสละทรัพย์สนของเราให้แก่ผู้อื่นไปอันนี้เป็นบุญที่ได้แต่อาจจะไม่ได้ปิติสุขเป็นของแถมมาครับผมจากคุณเป ต, ตองครับคำว่าโลกิยะกับโลกุตระความหมายคืออะไรนะครับ โลกิยะก็หมายถึงจิตที่ยังติดอยู่ในวัฏจักสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี้ถือว่ายังอยู่ในโลกิยะอยู่ส่วนโลกุตระคือผู้ที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคือพระอริยาสาวกทั้งหลายของพระเจ้ทาท่านอยู่ในระดับของโลกุตระธรรมส่วนพวกปุถุชนอย่างพวกเรานี้อยู่ใน ระดับของโลกียะธรรมอยู่ในตายภอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายภแล้วก็เรียกว่าโลกียะคำถามจ้าคุณทีภค ะ, ะนะครับจากนรรมศักการพระอาจารย์ค่ะปฏิปปธรรมได้สักพักแล้วเห็นทุกเห็นความไม่แน่นอนมีจิตที่อยากเข้าถึงธรรมไม่อยากเกิดอีกถือว่าเป็นกิเลสไหมคะยิ่งอยากหลุดพ้นมากๆจะยิ่งเป็นทางกั้นไม่ให้เราถึงมรรคผลนิพพานไหมคะ ไม่หรอกเราเรียกว่าเป็นฉันท่าคือความดีดีไม่เป็นกิเลสก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นเป็นตัวที่จะชุดดึงให้จิตของเราได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะถ้าเรามีความอยากจะหลุดพ้นเราก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นเมื่อปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะทาให้เราได้หลุดพ้นแต่ถ้าเราอยากอยากแล้วแต่เราไม่ปฏิบัตินั่นหละถึงจะเป็นกิเลสอยากเฉย อยากจะหลุดพ้นแต่ยังหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขอ ย, อย่างนี้ก็ไปกิเลสเพราะว่าไม่ทําให้เราได้ไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นนั่นเองคําถามจี่คุณพิชิตครับกลาวเป็นหาพระอาจารย์ครับเกิดอาการวุ่นวาบแล้วรู้สึกมีความสุขนี่คืออาการปิติใช่ไหมครับจะว่าเป็นปิติก็ได้หรือจะว่าอะไรก็ได้ไม่สําคัญขอให้มันมีความสุขก็ใช้ได้ครแล้วกัน คุณอภิชาตครับบอกว่าท่านเคยเห็นคนที่ไม่โลภกินง่ายอยู่ง่ายแต่มีความโกรธความหลงอยู่ไหมครับผมนี่ก็คือการไม่โลภกินง่ายอยู่ง่ายนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้โลภเสียทั้งหมดนอาจจะไม่โลภในปัจจัยสี่แต่อยากอาจจะโลภในเรื่องอย่างไรก็ได้ยังอาจจะอยากมีอยากเป็นอยากได้ตําแหน่งได้อยากได้อะไรก็ได้ หรืออยากให้คนสนรรเสริญอะไรก็ได้ก็ยังมีความโกรธอยู่ความหลงอยู่ <Yeah. S 1> การกินง่ายอยู่ง่ายไม่ได้เป็นตัวบอกบอกว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้ <Yeah. S 1> เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของผู้ที่สิ้นกิเลสแต่ยังมีอย่างอื่นที่เราไม่สามารถวัดได้เพราะเราไม่สามารถมองเข้าไปในใจของท่านได้ จะคุณต่ายครับการเรียนถามครับพระอาจารย์การที่ปัจจุบันนี้เราทํางานหาเงินมีแต่ทําให้คนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นไม่จบไม่สิน้นอย่างนี้เรียกว่ากรรมเก่าไหมคะทางานหาเงินทําให้คนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นไม่จบสิน้นก็เรียกว่าใช้นี่เก่าก็แล้วกันเคยเป็นนี่มาก่อนก็เลยต้องมาใช้นี่ คำ ถ, ถามจากคุณมลครับที่มีผู้กล่าวว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญคืออย่างไรคะคือทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําของใจของพวกเรานี่ย mm. การที่เรามาเจอกันในวันนี้อาจะาเรียกว่าเป็นการบังเอิญก็ได้เพราะเราไม่ได้นัดหมายกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ว่าเกิดนี้จะมาเจอกันที่นี่แต่เรามาเจอกันแล้วอาจจะว่าเป็นการบังเอิญแต่ความจริงมันเป็นการกระทําของใจของแต่ละคน ใจของแต่ละคนได้คิดได้ตั้งใจว่าวันนี้จะมาความเทศความธรรมในช่วงนี้กันก็เลยมาเจอกันนั้นการที่เราได้พบปะกันได้ทําอะไรร่วมกันนั้นมันไม่ได้เป็นการบังเอิญมันเป็นความคิดของพวกเราที่เราอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้มาทําร่วมกันเท่านั้นเองนี่คือความความความความหมายของคําที่ว่าไ ม, ไม่ไม่มีความบ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุ uh huh. เหตุก็คือความคิดของเรานี่คําคำถามจะกคุณจ็กเกอร์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการนั่งสมาธิดูลมเข้าออกแล้วนับหนึ่งและรอบถัดไปพอลมเข้าออกนับสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำได้ไหมครับได้แต่มันจะสงบไม่สงบและนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ผู้กระทำคือถ้าเบื้องต้น ไม่สามารถที่จะดูลงเฉยๆได้เพราะใจอยางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กนะ็อาจจะใช้การนับมาช่วยะนะครับความคิดต่างๆให้น้อยลงแต่การที่จะให้มันสงบอย่างเต็มที่นี่นคิดว่าจะต้องไม่มีการคิดไม่มีความพูดไม่มีการคิดอะไรไม่มีการนับอะไรควรดูลงเฉยๆเพียงอย่างเดียวถึงจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ คำถามจากคุณ LNT ครับการมรณาการพระคุณเจ้าค่ะเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิจิตเราควรกําหนดไว้ที่ไหนคะก็กําหนดไว้ถ้านั่งก็ดูที่ลหมหายใจก็ได้หรือจะกําหนดพุทโธพุทโธไปก็ได้น้าแต่เราจะชอบชอบพุทโธเราก็กําหนดจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปชอบดูลงก็กําหนดจิตให้ดูลงไปบางท่านก็ชอบสองอย่างปนกันก็ได้ หายใจเข้าก็คิดถึงพุทธหายใจออกก็คิดถึงโท่ก็ได้อันนี้ก็มีสามวิธีให้เลือกแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนคำถามจะกคุณอภิชาครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อเราจุติจากพบภูมิมนุษย์ไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วเรายังจำสมัยที่เราเป็นมนุษย์ได้ไหยครับบางคนก็จำจาได้แล้วแต่ว่ามีความจำดีหรือไม่ดีบางคนก็จำอะไรไม่ได้ แม้แต่เมื่อวานนี้ทําอะไรไปบ้านบางคนก็นึกไม่ออกฉะนั้นมันเรื่องอยู่ที่ความจาของแต่ละคนบางคนเป็นความสามารถในความจำมากก็สามารถระลึกชาติได้จากคุณแสงบนครับกลาวนรับกา ร, ร, ร, การคาระอาจารย์เรียนถามว่าเวลาสวดมนต์ก่อนนอนต้องนึกถึงองค์พระประธานที่วัดเวลาเราไปทําบุญอย่างนี้ถือว่าสติของเรายัางไม่นิ่งใช่ไหมคะกลาวต้อนรับกา ร, ร, ร, การค่ะ ก็บางทีใจเรายัางอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็เลยต้องบังคับให้คิดถึงองค์พระประทานที่วัดเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจของเราเพื่อเราจะได้สวดมนต์ทำใจให้นิ่งได้คำถา ม, ถามจาคุณจีรศักดิ์ครับบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจำเป็นหรือเปล่าครับต้องมีความอัศจรรย์ครับ อ๋อมันต้องมีอัศจรรย์แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนภาวะของจิตใจจากผู้เป็นนักโทษให้กลายเป็นผู้อิสระภาพเหมือนกับผู้ที่ออกจากคุกนี่จะรู้สึกมีความอัศจรรย์ใจแต่การหลุดออกจากสังสารวัฏที่เป็นเหมือนคุกของจิตใจนี้มันก็เป็นในลักษณะเดียวกันแต่มันจะมีความน้ำหนักมากกว่า ม, มากการที่เคยถูก จองจำมาเป็นเวลาระยะเวลาอันยาวนานแล้ววันหนึ่งก็ได้อิสระภาพขึ้นมาเนี่ยจิตใจที่ได้อิสระภาพจากการกดดันกดขีของกิเลสตัณหาเนี่มันเป็นสิ่งที่มาสะใจอย่างนี้คำถามจากคุณสมศักดิ์ครับการรับราการครับกับผมขายปุ๋ยยาฆ่ า, มาแมลงเป็นกรรมหรือไม่ครับก็เป็นการกระทำคำว่ากรรมมาแปลว่าการกระทำ ถาว่าบาปไหมไม่ไมบาปถ้าเป็นแต่แต่เป็นอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรกระทําเพราะเป็นงานส่งเสริมให้พูดได้กระทำบาปแตถ้าเราเป็นแต่ขายนี่ยังไม่ถือว่าบาปคับจากคุณริ๊ฟซี่ครับการทำพิธีกา ร, กการค่ะพระอาจารย์เพื่อนบ้านทําให้เราเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้งเราจะตั้งสติของเราอย่างไรดีคะที่ไม่ให้ไปตอบโต้กับเขาเพราะเป็นคนใจร้อนเวลาโบโหจะควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็เวลาเรามีอารมณ์เราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดอารมณ์นั้นอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงคนที่เราทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าถ้าเราจะคิดก่อนหน้าก็ได้ว่าเขากับเรามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาไปอยู่ที่อื่นได้เราต้องอยู่กับเขา เราก็ต้องัดทําทใจว่าเขาจะทํำยังไงเราก็ไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราอย่าไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นนรืไม่ทําอย่างนี้ปล่อยให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาทาอะไรไปความเดือดร้อนใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเรา อยากให้เขาไม่ทําอย่างนั้นอย่าให้เขาทาอย่างนี้เป็นต้นเนีย่ยเราต้องมาแก้ที่ใจของเราที่ตัวของเราเองด้วยการบอกเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศกันดินฟ้าอากาศนี่เราจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดินฟ้าอากาศเขาก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพื่อนบ้านของเราก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเท่านั้นเอง ก็อย่าไปยุ่งกับเขาพูดง่ายๆปล่อยเขาไปปล่อยก็ทำอะไรตามเรื่องของเขาไปจากคุณมัลติยูนิเวอร์ลนะครับการนมัะสะการขอโอกาสครับการนิโรดับทุกขแต่ละเหตุแต่ละเรื่องต้องอาศัยความสงบตั้งมั่นเป็นกลางพิจารณาเรื่องนั้นๆกับเราจนแยกจากกันไปในขณะจิตเดียวเหมือนตื่นจากฝันใช่ไหมครับกล่าวขอบพระคุณครับ การดับความทุกข์ก็มสีสองขั้นตอนดับด้วยสติคือเวลาที่เรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราใช้การเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธจนกระทั่งใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความทุกข์ที่เกิดนั้นก็จะหายไปชัว่วคราวแต่จะไม่หายไปตลอดเพราะพอเราเผลอกลับไปคิดเรื่องนั้นอีกขึ้นมาใหม่มันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ การที่เราจะดับความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หมดไปอย่างถาวรได้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราทึกว่ามันเป็นไตรละเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันเป็นปลายตาความต้องการของเราได้มันเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราไปสั่งไปควบคุมให้เขาเป็นไปลายตาความต้องการของเราไม่ได้ ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นปลายทางความต้องการของเราเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรามีความอยากเราก็จะทุกข์พอเราเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นปลายทางความอยากของเราได้เราก็หยุดความอยากนั่นเสียแล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไปอย่างทาววอนคำถามจากคุณกัลยาครับกับนรัสการขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราอยู่แล้วมีความสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจริงๆแล้วต้องนั่งสมาธิอีกหรือไม่คะ <c oughs> แล้วแต่เราถ้าเราพอใจกับความสุกระดับนี้ก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าเราอยากได้ความสุขที่เหนือกว่าระดับนี้ที่ได้จากสมาธิเราก็ต้องนั่งเหมกับตอนที่คนได้เงินเดือนเท่าไหร่คุณพอใจไหมถ้าคุณพอใจคุณก็ไม่ต้องไปหาเงินเพิ่มแต่ถ้าคนไม่พอใจเงิน เ, นเดิอนแค่นี้ อยางอกได้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องไปหารายได้เพิ่มายได้เสริมเพิ่มยันใดความสุขที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งแต่ยังมีความสุขที่สูงกว่านี้อยู่ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิคําถามจากคุณสมโพศครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ครับคารวาสสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับได้ถ้าสามารถปฏิบัติทำที่ ดับกิเลสต่างๆได้ถ้ากําจัดความโลภความโกรธความหลงต่ตางๆภายในใจของเราให้หมดไปได้ใจของเราก็เข้า น, นิพพานได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะการการเป็นพระเป็นคารวะนี้เป็นเพียงแต่เป็นสถานะของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นพระก็จะมีเวลามากกว่าคารวะแต่ถ้าเป็นพระแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ต่างจากการเป็นคารวะ เนื้อบางทีคารวะนี้อาจจะปฏิบัติมากต่อพระก็ได้เพราบางทีพระมาบวชแล้วก็อาจจะถูกชักจูงไปให้กระทํากิจอย่างหนึ่งเช่นให้ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆจนไม่มีเวลามาปฏิบัติดับกิเลสต่างๆอันนี้ก็ไม่ต่างกับคารวาะแต่คารวะบางท่านที่มีความสนใจกับการปฏิบัติ ถึงแม้จะเป็นคารวะก็บันปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะถือว่าดีกว่าพลาที่ไม่ได้ปฏิบัติและมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การเป็นพาหรือเป็นคารวะคำถามจะคุณพีชครับการกรัมสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงช่วยกระนาอธิบายการทำสมาธิด้วยวิธีเพ่งสีพุทโธดูลมจะดีกว่าใช่ไหมคะ แล้วมันอยู่ที่จริตของเราว่าเราสบายในทางไหนทาได้ทำไหนถ้าเพ่งสีได้เราก็เพ่งสีแทนพุโทโธก็ได้แทนดูลมก็ได้แต่ถ้าเราเพ่งสีไม่ได้ดูลมมันง่ายกว่าเพราะไม่ต้องไปการเพ่งสีนี่ไม่ต้องจินตนาการเราเพ่งแต่ดูลมที่มันดีอยู่แล้วมันก็ง่ายกว่าหรือถ้าเราดูลมไม่ได้เราถนัดพุโทโธ เพ่งแต่นึกถึงพุโทโธพุโทโธมันก็ง่ายกว่าการเพ่งสีการเพ่งสีแล้ต้องหลับตาแล้วนึกถึงสีที่เราจะเพ่งมือต้นเราอาจจะลืมตาดูสีนั้นก่อนแต่ในที่สุดเราต้องหลับตาแล้วให้สีนั้นที่เราเห็นด้วยตาของเรานี้เข้าไปในใจของเราให้ได้อันนี้มันจะยากกว่าแต่ถ้าเราลืมตาแล้วเพ่งสีนี้จิตจะไม่มีทางเข้าสู่ความสมุบได้เพราะจิตมันยังไปติดอยู่ที่รูป ติอยู่ที่สีภายนอกแล้วต้องนึ่งสีภายนอกให้มันเข้ามาภายในใจของเราก่อนจิถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณชักชาครับรกราดนรัตการพระอาจารย์การนั่งสมาธิให้จิตใจสงบสุขนั่งกี่นาทีครับมันไม่ได้อยู่ที่กี่นาทีมันอยู่ที่สติว่ามีมากมีน้อยมีพอที่จะทําจิตให้สงบได้อไม่ถ้ามีสติมากห้านาทีก็สงบได้ แต่ได้สติไม่พอนั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็ไม่สนุกวิธีการมีสติอย่างต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่ถ้ามีสติต่อเนื่องห้านาทีเดียที่ไม่เผลอไปที่เรื่องนั้นเรื่องนี้เลยจดจ่ออยู่กับพุโทโธอยึดกาะลมอย่างเดียวนี้ภายในห้า น, นาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบแล้วพอสงบแล้ว ก, ก็จะนั่งได้ยาวเลยบางทีเป็นชั่วโมงก็มีแล้วแต่กําลังของสติของเรา คำ ถ, ถามจากคุณสลิตาครับการญมัทสการ์ท่าอาจารย์หลานมีอาการอย่างหนึง่งคือเวลาออกไปเจอแดดจัดแต่ไม่มีอาการร้อนหัวเหมือนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วมองเห็นทุกคนเหมือนเป็นลูกเป็นญาติเราทั้งหมดไม่มีอาการโกรธเลยมีแต่เมตตาล้วนๆเป็นแบบนี้สองอาทิตย์แล้วก็ลื้อเสื่อมไปต้องทํายังไงให้กลับมาเป็นแบบนี้อีกเจ้าคะเวลาออกไปเจอแดดจัดๆก็ลองกลับไปทําแบบเดิมดูสิ เคยทำแบบเคยได้ทําแบบไหนก็ลองกลับไปทําแบบนั้นดูดูซิ ว, ว่าจะได้หรือเปล่าคํา <c oughs> คถามจากคุณพักควานะครับกล่าวนพิธการค่ะพระอาจารย์หากเราตั้งใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราหรือไม่อย่างน้อยขอให้ได้ขึ้นบันไดขั้นแรกของการหลุดพ้นค่ะการบรรลุธรรมในขั้นแรกคือพระโสดาบันผู้บรรลุจะทราบได้อย่างไรคะก็ล่าสังโยนได้สามข้อก็หนึ่ง สักาสกายทิฏฐิสามวิจิตกิจชาสามสีาพลพัตตะอรมาสักกายทิฏฐิคือการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขันหร่างกายเวทนาความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ความจริงร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เราเป็นสภาวะธรรมเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป แล้วก็ความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ก็จะคือวิจิกิจฉาก็ต้องละต้องพอจะเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าพุทธีเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมก็คือพระอริยะสงฆ์นั่นเองก็จะไม่สงสัยในเรื่องของพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนลเรื่องของการไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อมาดับความทุกข์ก็จะ เริ่มไปเพราะรู้ว่าเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนเองเกิดจากการกระทําบาปของตนเองเท่านั้ถ้ามีความทุกข์ใจก็หยุดความอยากเสียความทุกข์ใจก็จะหายไปและการกระทําบาปเสียก็จะไม่สร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ก็จะไม่ต้องไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อมาแก้ความทุกข์ต่างๆ มาแก้ครรมต่างๆเพียงแต่ไม่ทําบาปเท่านั้นเองหรือว่า ก, การทําบาปแล้วจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแล้ว ก, การมีความอยากต่างๆก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาโสดาบาลนี้ก็จะละความอยากในระดับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะจะเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของตน ตนไม่ได้เป็นหน้ากายตนเป็นใจผู้รู้ผู้คิดแค่นั้นเองอันนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ละสังโยชน์ทั้งสามได้ครับอาจารย์แล้วแล้วการความที่บอกว่าอาศัศจรรย์นเนี่ยจะจะเกิดขึ้นตั้งแต่บรรลุพระโสดาบันเลยไหมครับอาจารย์ครับบรรลุช่วงที่เรากําลังครัวตายแล้วเราปล่อยความครัวตายได้เนี่ยมันโล่งเลยใจมันเบาใจมันสบายเลย หรือในช่วงที่เรากลัวเจ็บแล้วอยู่กับความเจ็บได้จิตสงบนิ่งเฉยไม่วุ่นวายไ ป, ไปกับความเจ็บมันก็เป็นความอัศจรย์ใจธรรมดาเวลาเราเจ็บนี่เราจะรู้สึกทรมานใจว่าแต่เราพิจารณาความเจ็บว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงแต่ผู้รู้ความเจ็บนั้นเท่านั้นเองพอปล่อยได้ครับใจเราก็จะโลองจะเบาจะไม่เครียดไปกับความเจ็บที่กําลังแสดงอยู่ในขณะนั้นมันจะเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นความอัศจรรย์ใจคเคยกลัวตายพอหลงได้ปั๊บมันหายกลัวแล้วมันเบาความตายนี้ไม่สามารถที่จะมาขับยำจิตใจได้ต่อไปแล้วในความห่วงญาติคนอื่นนะครับพระอาจารย์ครับมันจะหายไปในทันทีหรืนไมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับบนร่างกายของทุกคนนี่ไม่ไม่กมวนไม่ยึดไม่ติดในความเป็นความตายแต่ยังไปยึดติดในความสวยงามของร่างกายของแฟนอยู่ อย่างรักแฟนอย่างชอบแฟนเพราะยังเห็นว่าเป็นร่างกายที่สวยงามยังมีการอารมณ์อยู่ทีนี้ถึงเป็นขั้นต่อไปถ้าสองขั้นต่อไปนี้ต้องมาพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายถึงจะไม่กังวลกับความตอบแฟนของเราได้ถ้ายังเห็นว่าแฟนสวยยังงามอยู่ยังยักยังรักยังโหยยังโหยอยู่แต่พอเห็นว่าเป็นซากศพขึ้นมาเมื่อไหร่ปก็จะหายรักหายห่วง อักนกังวลกับร่างกายของแฟนแทันทีจากคุณเปตองครับเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์คนไม่ดีได้ไหมครับถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ในการศึกษาก็ได้ศึกษาว่าคนนี้ทําไมเขาไม่ดีไม่ดีอย่างไรความไม่ดีเป็นอย่างไรแล้วโทษของการไม่ดีเป็นอย่างไรนี่ได้อยู่แต่การไปด่าเขานี่ไม่ดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ควร ไม่ควรไปด่าใครที่ว่าเขาจะดีแล้วไม่ดีไม่ต้องไปด่าเขาไหวเขาเขาไม่ดีเขาเขาก็ไม่ดีแล้วเราไม่จําเป็นจะเ้องเปไปบอกเขาว่ามึงไม่ดีนะไม่จำเป็นยังมึงยังนี่ไม่ควรควรจะพูดในสิ่งที่ดีดีกว่าเพราะการพูดในสิ่งที่ดีเป็นการสร้างมิตรเป็นการพูดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นการสร้างศัตรู คุณนัทดรุณีครับกราบเรียนถามนะคะเวลานั่งสมาธิทำไมใจไม่นิ่งคือสมองคิดไปทั่วกราบร้าวส ก, การเจ้าค่ะเพราะไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดปรุมแต่งนั่นเองเรื่อสติมีกำลังน้อยไม่สามารถที่จะบังคับให้ใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธได้ไวหาย ใ, หใจไปคิดเรื่องราวต่างๆใจถึงไม่นั่งถึงไม่สงบไม่นิ่งนั้นอที่จะมานั่งสมาธิคนจะฝึกสติให้มากมากก่อน ควรจะคอยควบคุมความคิดให้คิดเท่าที่จําเป็นเวลาไม่จําเป็นจะต้องคิดอย่าให้คิดในการระลึกถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่ไดเรื่อยๆหรือให้คอยเฝ้าดูจดจ่อดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับให้รู้อยู่กับเรื่องที่เขาทําอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าทําอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งได้ คำถามสกุลฟิลนะครับการปฏิบัติทำขั้นจิตเห็นจิตหรือเห็นความคิดของตัวเองนั้นต้องมีสติและสมาธิจิตมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณครคือการเห็นจิตนี่เราสามารถเห็นได้ในตอนนี้เลยเห็นว่าเรากำลังคิดอะไรก็เห็นได้แต่การที่เราจะไปควบคุมความคิดหรือไปลบล้างความคิดที่ไม่ดีนั้นมันต้องมีมีขั้นระดับที่สูงสติที่สูงกว่า ไม่ต้องอยู่ในขั้นที่ได้สมาธิแล้วนะถึงจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดต่างๆที่ไม่ดีได้ถ้ายังไม่ได้ขั้นสมาธินี่เวลาคิดไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้นการเห็นจิตนี่ความจริงเห็นเพื่อที่จะคอยควบคุมจิตให้มันอยู่ในธํามนองของธรรมไม่ให้มันออกไปน่ารูมนอกทางที่จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ต้องอยู่ในขั้นหนึ่งในการดูจิตจริงๆนี้ต้องรอให้ผ่านร่างกายไปก่อนให้เราสามารถควบคุมปล่อยวางร่างกายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายให้ง่าก่อนแล้วเราถึงจะไปไปดูจิตเพื่อปล่อยจิตอีกทีหนึง่งเพื่อไปควบคุมจิตและปล่อยจิตอีกทีหนึง่งคำถามจากคุณ RMB ครั บ, ก, บรรการรัมสการพระอาจารย์เจ้าขาขออนุญาตกราบเรียนถาม การดับความอยากด้วยสติและปัญญาต่างจากการดับความอยากแบบอัตตากิลมัทานุโยกอย่างไรเจ้าคะและควรฝึกปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผู้ดับความอยากต่างๆได้ด้วยสติและปัญญาตลอดคือการการการดับความอยากด้วยการไม่ไม่กระทามันด้วยการฝืนมันมันเป็นการใช้พลังกำลังของใจสู้กับมันแต่ความอยากมันจะไม่หมดไปจากการที่จะไป ใช้ควาดการบังคับหน่อเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราก็จะหมดกำลังเพราะหมดกำลังความอยากมันก็จะกลับผมขึ้นมาใหม่ได้วิธี ท, ที่จะดับความอยากแบบชาววอรนั่น้อดับด้วยปัญญาเพราะว่าความอยากนี่เกิดจากความหลงความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองไว้เป็นของเราได้ตลอดเวลา เป็นอนัตตาอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เช่นราบจนสารเสื่อมสมนี่มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันขึ้นขึ้นลงลงเมัอนกาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันลงเราอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อมแต่เราก็ไปห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ พอมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็หยุดความอยากที่จะไปอยากในลาบยศสนเสริญสุขได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กามันเราก็ต้องไม่ไปอยากมันเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีลาบยศสรเสริญสุขถ้าเรามีสมาธิมีความสงบของใจงั้นก่อนที่เราจะละได้เราต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขที่เกิดจากสมาธิก่อนแล้วเราถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ละ ความเนี้ยในลาบยศสรรเสริญสุดและใสิ่งอื่นๆทั้งหลายได้เพราะเราจะเห็นว่ามันจะนําเราไปสู่ความทุกข์นั่นเองนี่คือใช้การใช้ปัญญาถ้าใช้แบบนี้มันจะดับได้อย่างถาวรแต่ถ้าใช้การบังคับนี้บาทีเวลากําลังมันหมดเมื่ อ, อไหร่มันก็สู้ไม่ไหวทันทีกําลังก็คือสตินี่เองซึ่งสติของเรานี่มันก็มีจํานวนจํากัด แล้วบันไดวันหนึ่งมันก็จะอ่อนกําลังลงเพราะอ่อนกําลังลงแล้วก็จะทําไม่ได้ครับผมคำถามจากคุณเตือนใจครับกาบเลนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเรามีน้ําใจให้ผู้ร่วมงานแต่เวลาขอความให้เขาช่วยเราเขากลับนิ่งเฉยเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละบางคนเขาก็อยากเอาเอาแต่ได้ไม่อยากจะเสียพอถึงเวลาเสียเขาก็นิ่งเฉยนั่นเองก็ <c oughs> เราก็ต้องศึกษาไป ว่าคนเรานี้มีความความคิดไม่เหมือนกันมีบางคนก็เป็นคนที่มีคิดเหมือนเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางคนก็ไม่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเอาเพียงแต่อยากให้ผู้ช่วยเหลือเขาเท่านั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนว่าไม่เหมือนกันเขาไม่คิดเหมือนเราเราคิดของเราอย่างนี้แต่เขาไม่คิดเหมือนเราเมื่อถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่เสียใจ ไ้ไม่ทำก็ไม่ทำไม่อยากได้ก็ไม่อยากช่วยก็เป็นเรื่องของเขาไปเท่ากับทำนั้นเองจากคุณหนองครับบอกว่าผมเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงบาปไหมครับอาจารย์ไม่เข้าใจเลยไงในหม้มอข้าวหม้อแก ง, งเหมือนจะเป็นพืชที่มันกินสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เเหมือ น, นลี้ยาเป็นพืชก็ไม่บาปถ้าเป็ น, นพืชก็ไม่บาปถ้าไม่เป็นสัตว์มันก<อ>็ไม<อ>่บาป โอ้ไม่ได้ใจมันเป็นพืชแต่เป็นสัตว์งัยครับอาจารย์แต่คนเลี้ยงอาจจะคนเรียนเขาถามตัวคนเลี้ยงองไม่บาปใช่ไหมครับอาจารย์เออถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงลิงดิงมะขาวมะแกงไม่บาปหรอครับผอใช่ไหมคง<ม>จะมาข้าวไม่กัน ค, คือตัวมะข้าวมะแกงดิงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ที่มันคอยกินมแมลงครับอาจารย์ครับเวลามีตัวอะไรบินผ่านนั้นก็จะกินไุณนองช่วยแจ้งมาใหม่ เดี๋ยวตอบไปแล้วมันจะไม่ถูกกับคําถามครับผมคุณบุกผาครับทําหมันให้น้องหมาน้องแมวเป็นบาปไหมคะไม่บาปครับเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายเขาเพียงแต่ป้องกันแม่เขาตั้งคันกันนั่นเองคุณนัฐพลครับสอบถามครับทําอย่างไรที่จะเห็นถูกว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของตนครับสถูกครับ ก็ดูร่างกายเราเหมือนกับวัตถุอย่างหนึ่งก็สังเกตดูกระดูกของเราเนี่ยมันเวลาที่เราตายไปกับเวลาที่เราเป็นนี่มันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันใช่ไหมมันก็ยังเป็นกระดูกเหมือนเดิมนช่ไหมหมอเวลาเราตายไปแล้วเอากระดูกไปต้มมาไปเผามันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมเวลามันอยู่กับเรามันก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราค้อนไปทุบไปตีมัน มันไม่รู้สึกว่ามันถูกทุบถูกตีหร ก, กผู้ที่รู้สึกคือใจใช่ไหมผู้รู้คือใจรือร่างกายมันไม่รู้อะไรมันเป็นวัตถุมันไม่มีตัวตนในในร่างกายมีตัวตนในรถยนต์หรือเปล่ารถยนต์มีตัวตนหรือเปล่าไม่มีใช่ร่างกายก็เหมือนรถยนต์มันก็ประกอบมาจากดินน้ำลมายจากวัตถุต่างๆเหมือนกัน เงแต่ว่าเราไปรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนเพราะเราไปพูดไปเกาะมันไปใช้มันแล้วก็เลยไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาจริงมันเราไปคิดว่ามันเป็นเราแล้วเราไปคิดว่าเราเป็นตัวตนมันก็เลยเกิดตัวตนขึ้นมาถ้าอยากจะให้รู้ว่าไม่มีตัวตนนั่งสมาธิดูพอจิตสงบแล้วพอใจเราหยุดคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งว่ามีตัวตนมันก็จะหยุดตามไป ตอนนั้นก็จะเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ผู้รู้คือใจที่ที่ไม่ได้คิดว่ามีตัวตนเลยแต่พอออกจากสมาธิพอเริ่มคิดก็เริ่มคิดอีกว่าเป็นตัวเราอีกแล้วเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกแล้วดังนั้นอยากจะเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนนี้ต้องนั่งสมาธิเข้าไปในสมาธิแล้วพอเห็นว่าออ ต, ตัวตนนี้เกิดจากความคิดปลูกแต่งเกิดจากการสมมุติของใจนั่นเองเวลาออกมาก็ใช้ปัญญาสอนว่าไม่ไม่มีตัวตนทั้งนั้นเราก็ไ ม, ม่เราก็ไม่มีร่างกายที่เราไปเรียกว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่ได้เป็นตัวเรามันก็เป็นเพียงร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟคอยสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับมัน คำถามจากคุณอนุพงศ์ครับกาบธรมทศการครับพระอาจารย์กระผมมีคำถามอยากสอบถามเวลาเราตายจิตเราออกจากร่างกายถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาเมื่อออกจากร่างกายแล้วจิตเราจะไปทางไหนครับจิตก็ไปทางดีหรือทางเชื่อขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทําถ้าเราทําบาปมันก็จะไปทางไม่ดีไปอบายไปสู่ความทุกข์ต่างๆแตเ่เราต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราตายเนี่ยจิตเรา ออกจากล่างนี่มันเป็นเข้าไปสู่ในโลกของความฝันทันทะีนะหนึ่งก็ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยจิตเราจะอยู่ในโลกของความฝันถ้าเราทำบาปเราก็จะฝันดีถ้าเราทาบาปเราก็จะฝันไม่ดีฝันร้ายฝันว่าเราไปอยู่ในสงครามไปเจอในเหตุการณ์เจอภาวะโรคภัยระบาดเจ อ, เอน้ำท่วมเจอไฟไหม้เจอ การอดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆอันนี้เป็นอันนี้ส่งผลของการทําบาปของเราแต่ถ้าเราฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ที่สวยงามไปพักที่โรงแรมที่สุขที่สบายไปรับประทานอาหารที่อริดอร่อยนี่อันนี้เป็นนิสัยของการทำบุญของเราเราสามารถเห็นหนังตัวอย่างของเราได้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะออกจากร่างกายคือตอนที่เรานอนหลับในตอนนี้ บางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันไม่ดีนั่นแสดงว่าบุญกับบาปของเรากำลังมาช่วงชิงการแสดงผลกันช่วงไหนที่บุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะทาให้เราฝันดีช่วงไหนที่บาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะทาให้เราฝันร้ายเพราะว่าในชีวิตของเราในแต่ละวันนี้เราก็ยังมีการทำบาปทำบุญไปเรื่อยๆอยงนั้นเวลาที่เราดอหลับบางทีความฝันเราอาจจะเปลี่ยนไป ฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างก็คือช่วงช่วงที่เราฝันนั้นเรามีบากมากกว่าบุญหรือมีบุญมากกว่าบาปนี่บอยหาคำตอบให้แล้วครับอาจารย์ครับต้นว่าข้าวมะแกงดีเป็นพืชครับอาจารย์เป็นพืชที่มันกินสัตว์มักินแมลงครับอาจารย์กินแมลงใช้เลี้ยงมันไช้เลี้ยงมันครับเหมือนเหมือนปลูกปลูกพืช ปกเพื่อนไม่บาปหรืบาปมันจะไปกินมันเรื่องของมันนะครับเหมือนกับเราเลี้ยงหมาแล้วหมามันก็ไปกินไปขโมยหายของคนอื่นกินี่มันมันก็เป็นการบาปของของหมาครับผแต่ถ้าเป็นเพื่อมันไม่มีชีวิตมันก็ไม่บาปเพื่อนมันไม่มีมันไม่มีถ้ามันไม่ไม่มีจิตใจการกระทําบาปของมันก็ไม่มีผลกระทบกับกับจิตใจการทําบุญทําบาปให้มันมีผลกระทบกับจิตใจไม่ได้มีผลกระทบต่อร่างกายหรือต่อพืช คุณนิพพานะครับในแต่ละวันจะเห็นอาการดับที่หูและไม่ขึ้นความถี่อื้ออื้อดังต่ออีกสักพักเป็นอาการที่หูผิดปกติหรือเป็นการเห็นความดับไปทางวิญญาณทางหูครับ น, น, นี่ไม่ทราบว่าเป็นหูผิดปกติหรนะือเปล่าเนี่ยอาจะต้องไปถามหมอเถะก็ได้แต่ไม่ได้เป็นการเห็นการดับทางวิญญาณแต่อย่างใดเพราะวิญญาณไม่มีทางดับ วิญญาณมันก็มันมีสองชนิดวิญญาณที่เป็นวิญญาณที่มารับรู้รูปเสียงกิน่นรตมันก็เกิดดับเกิดดับตามการเกิดดับของของของรูปเสียงกิน่นรต์ถ้าสมมติว่าวิญญาณทางหูได้ยินเสียงมันก็มันก็ทํางานพ อ, อไม่มีเสียงมันก็หยุดทํางานเท่านั้นเองคุณเมตังกรครับ การทัพิธการพระอาจารย์ครับลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจเลี้ยงไก่ปลากุ้งแล้วแปรรูปขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตคนซื้อหุ้นจะบาปไหมครับมันก็น่าจะบาปเพราะได้รับผลประโยชน์จากจากการค้าสก็เหมือนกับเราสนับสนุนหรือเรามีส่วนในการที่จะให้เขาทำบาปแล้วเราก็มีส่วนได้ส่วนเสียก็ะจะถือว่าถึงแม้เราไม่ได้ค่าก็เหมือนกับเราสัให้เขาค่าให้เรา <c oughs> ผมเองก็ไม่กล้าลงทุนแบบนี้นะครับอาจารย์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปครับคําถามจากคุณ <c oughs> บุญชูครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเรานั่งสมาธิจนสงบได้เวลาออกจากสมาธิมีอาการเหมือนตัวเราไม่ใช่เราเหมือนเรากําลังสั่งกายทํางานอยู่แต่เป็นเพียงครู่เดียวอาการแบบนี้ใช่ผลของการปฏิบัติสมาธิไหมครับขอบคุณครับ มันก็มันก็คงจะใช่นะเพราะเราเพิกปฏิบัติสมาธิออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จากคุณแนนครับถ้าเรากวาดจาับใยในบ้านถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะทํำลายบ้านที่อยู่ของแมงมุมคะ่ะสาธุค่ะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ไปทําให้แมงมุมมันตายเพียงแต่เราบอกให้มันย้ายบ้านได้ยยที่อยู่เพราะที่นี้ไม่เหมาะกับการอยู่เพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น <c oughs> จะคุณอภิชาติครับน้ําที่นิ่งจะรู้ได้อย่างไรว่านิ่งจิตสงบจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสงบครับผมน้ํานิ่งก็รู้ไม่ใช่หเวลาน้ำไหลกับ น, น้ํานิ่งเวลาคุณเปิดก๊อกกับคุณปิดก๊อกมืัน ก, ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาคุณปิดก๊อกน้ําในท่อมันก็ต้องนิ่งเพราะมันไหลไม่ได้จิตก็เหมือนกันเวลานจิตฟุ้งซ่ากนกับจิตสงบมันจะต่างกัน เวลาจิตฟุ้งซ่านมันจะคิดนึกคิดร้อยแปดันประการเวลาจิตมันหยุดคิดมันก็จิตนิ่งขึ้นมาดูที่ความคิดก็แล้วกันจะได้รู้ว่าจิตนึ่งหรือไม่นิ่งถ้ายังคิดอยู่ก็มันยังไม่นิ่งจากคุณพัชรมนคครับ อ, อาจารย์คะวันก่อนตอนค่ำมีนกคู่บินเข้ามาติดในบ้านฉันเป็นอย่างไรบ้างคะหนูไม่สบายใจเลยคะ่ะคิดมากและมิตตกมากคะ่ะ ไม่เป็นอย่างไรเลยมันอาจจะหลงทางแล้วมาคิดว่าบ้านเราเป็นที่น่าอยู่มาได้จากคุณอนุสอนครับขอโอกาสขอรับโมหะจริตควรน้อมนำปฏิบัติเช่นไรให้ถูกต้องในทางโลกุตละในพระพุทธศาสนาขอรับก็ต้องศึกษาธรรมะให้มาานเพื่อแก้โมหะความความหลงต่างๆความหลงเกิดโมหะเกิดจากความไม่มีความรู้ไม่เข้าใจความจริงของ ของชีวิตของโลกว่าเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแลพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เรารู้ว่าสภาะวะธรรมของโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังมโัตาคำถามเจ้าคุณพิญญาครับ ก, การรรมสการเจ้าขายมขอถามมีคนต่างชาติมาชวนไปบำเพ็ญธรรม การบำเพ็ญของเขาคือการกินเจตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่พุทธโทแต่เป็นภาษาของประเทศเขาเอามาบริกรรมจะบรรลุธรรมไหมคะน้อมกราบเจ้าค่ะคือการบริกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธโหรือไม่พุโทโธนี่เป็นการทาใจให้สงบเป็นสมาธิซึ่งเรายังไม่ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมเพราะการบรรลุธรรมนี่ต้องบรรลุด้วยปัญญาทาให้เราพูดที่ก็คือ อริยธรรมสี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันจิกิดาคาอาคาลาหันนี้จะรู้ลุธรรมได้ต้องมีทั้งสมาธิและมีปัญญาคือการเห็นอริยสัจสี่การเห็นตายรักถ้าเขาใช้แบบนี้รักพายเราเห็นตายรักพายเราเห็นเห็นอริยสัจสก็ก็บรรลุธรรมได้แต่ถ้าไม่มีการเห็นอริยสัจสีไม่มีการเห็นตายรักนี้ จะบรรลุได้ก็อย่างมากมก็แค่ขั้นสมาธิคือการทําใจให้สงบชั่วครั้งชั่วคราวไปคําถามเจ้าคุณลิทธิขิดฟ้าครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ครับผมนั่งภาวนาแต่ไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยรู้แต่ว่าเวลานั่งภาวนาแล้วมีความรู้สึกแต่นิ่งสงบแต่ไม่สามารถเข้าสู่วิปัสสนาได้เลยต้องทําอย่างไงถึงจะก้าวหน้าขึ้นครับนั่งเป็นชั่วโมงก็รู้แต่ว่ามันสงบนิ่งแต่ไม่สามารถเข้าสู่ขั้นปัญญาได้เลยครับ องการนั่งสมาธิก็ได้เท่านั้นแหละมันไม่ได้มากกว่านั้นการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้นิ่ง น, นานๆและก้าวหน้าก็อยู่ที่ว่าเราเน่งเน่งนั่ ง, ง, งได้นานเท่าไหร่เน่งได้นานเท่าไหร่ถ้ายิ่งเนได้นานสงบได้นานก็ถือว่าก้าวหน้าในขั้นสมาธิถ้าอยาจะก้าวหน้าขั้นวิปัสสนาเราต้องออกจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิมาแล้วหรือเราจะนั่งก็ได้แต่ต้องออกจากสมาธิคือจิต จิตไม่นิ่งแล้วจิตเริ่มคิดแล้วแล้วก็จิตมาพิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็ได้นี่เราก็จะได้ก้าวหน้าไปทางขั้นปัญญาต่อไปได้แต่ต้อออกจากสมาธิก่อนถึงจะทําทได้ไม่ควรจะทําทในขณะที่จิตสงบเพราะขณะที่สงบเราต้องการให้สงบนานๆเพราะเป็นการรับประทานอาหารอย่าไปอย่าไปรบกวนอย่าไปตัดการรับประทานอาหารของจิต ให้จิตประผานคืออาหารคือความสงบให้ได้มากมากแล้จะมีกำลังที่มาใช้ในการพิจารณาทางปัญญาและตัดกิเลสได้คำถามจากคุณเมตังกรครับการนมัสการพระอาจารย์นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าภาวนาพุทธออกภาวนาโทจนจิตสงบมากๆเกิดจิตรวมแน่นที่หว่างคิ้วบางครั้งเหมือนชีพรจรเต้นตุกๆที่หว่างคิ้วเต้นแรงมากๆคือสภาวะอะไรครับ ไม่เป็นสภาวพอะไรทั้งนันก็คือคือสภาพที่เราไปเห็นมันนั่เความจริงยังไม่สงบถ้าสงบแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยมันจะว่างเลคุณพนิชพลครับขอน้อมนอบน้อมพ่อแม่ครูอาจารย์การที่เรานั่งสมาธิแล้วนั่งดูความคิดที่เกิดขึ้นแล้วตามรู้ความคิดว่ามันเกิดขึ้นดับไปแล้วจะนึกถึงคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เราเรียกว่าปัญญาทางธรรมใช่หรือไม่ครับ จะว่าเป็นบัญญาก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นเวลาที่คนรจะทําในขณะที่เรานั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดไม่ต้องการดูความคิดถ้าดูความคิดไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ตอนนี้ก็คิดได้ก็ดูได้ดูได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าดูแล้วทาลายมันได้ปะเวลามันคิดจะไปทําบาปนี่เราหยุดมันได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกำลังเราจะหยุดมันไม่ได้ เราต้องทําสมาธิคือต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอมันไปเริ่มคิดการกระทําบาปเราก็จะสั่งให้มันหยุดคิดได้เมื่อหยุดคิดได้มันก็จะไม่ไปทําบาปได้ดังนั้นการนั่งสมาธิที่ไม่ควรดูความคิดควรหยุดความคิดเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดถ้าอยากจะดูปัญญาดูความคิดดูเวลาอื่นจะดูแลหยุดมันได้หรือเปล่าเป้าหมาย ถ้าเห็มันเกิดดับเกิดดับแล้วไม่ไปทําอะไรได้ก็โอเคแต่ถ้าเห็นว่าอยากกินเหล้าแล้วปล่อยให้มันดับไปเองโดยที่ไม่กินเหล้าได้ไหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังถูกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดอยู่เราก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อนถ้าเราฝึกสมาธิแล้วเราจะมีกําลังที่จะหยุดความคิดที่จะชวนให้เราไปทําบาปได้งั้นมันจำเป็นจะต้องให้มีสมาธิ และการจะมีสมาธิก็ต้องหยุดคิดต้องนั่งสมาธิก็หยุดคิดไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อดูดูความคิดครับจากคุณวัชรพรครับการเรียนถามพระอาจารย์คะการที่เราจะทําบุญหนึ่งร้อยวันให้กับคนที่ตายไปแล้วหากไม่ทําตามกําหนดจะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรเราทำได้ทุกวันตายสิบวันตายห้าวันตายสองวันตายร้อยตายไปตายสองร้อยวันทําได้หมดมันไม่ได้เกี่ยวกับคนตายกี่วัน การนำบุญที่เป็นเหมือนกับการส่งอาหาร ส, สร่งเสบียงให้กับคนตายไปแต่คุณแองเจลปุ้ยครับเลยนถามค่ะจากการอ่านมาจากเน็ตและผู้นำบุญจะบอกว่าเวลาพระส่งละสังขารไม่ให้เขียนหรือพูดสาธุต่อท้ายแต่ให้ใช้กราบน้อมส่งสู่แดนนิพพานถูกต้องไหมคะและพะเหตุใดจึงนิมนต์ให้สาธุต่อท้ายในนั้นๆคะคำว่ า, าสาธุแปลว่าดีแล้ว <laughs> อาจจะที่เราผงไม่ต้องการที่จะพูดว่าดีแล้วตายใช่ได้ก็ดีแล้วอาจจะก็เลยไม่ไม่ยอมพูดสาธุเพราะอะไรเลยาะอะไรนี่ยอมพูดให้ให้ไปสู่พระนิพพานนะให้สู่ไปสู่สุคตินะครับผมป็นคนตายเราไม่ได้บอกสาธุใช่ไหยเราบอกว่าขอให้ไปสู่สุคตินะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาพาะตายก็บอกท่านนิพพานแนละ้ว นี่ผ่านนะท่านไม่สาธุว่าท่านตายแล้วสาธุคําถามจะคุณตรงฤทธิ์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับคนที่ขเขาเผากระดาษเงินกระดาษทองของใช้กระดาษบ้านกระดาษอย่างนี้ผู้ร่วงรับไปแล้วจะได้รับหรือเปล่าครับได้ได้รับอะไร<笑><笑>กระดาษมันก็เป็นกระดาษเมื่อผา ม, มื่อการขีดเท่าไปแล้วมันจะใครไปได้รับอะไรนั้น ผู้ที่ผู้ตาจะสิ่งที่เขาจะรับได้นี้ต้องเป็นนามธรรมานามธรรมาก็คือบุญคือความรู้สึกทางจิตใจเวล า, าทําบุญแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็อุทิศความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้แต่กระดาษของหน้าตาที่เรามาเผานี่มันไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นนามธรรมามันเป็นปรูปธรรม คำถามจาคุณพานุพงศ์ครับรบกวนถามครับตอนอยู่คนเดียวจิตน้อมนาไปในทางลดกิเลสปัญหาแต่พออยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทํางานกับลงไปในกิเลสปัญหาพอจะมีวิธีแก้อย่างไรครับก็อย่าไปครอ บ, บเขา ส, สิพระพุท ธ, ธเจ้าบอกว่าถ้าเราครบคนดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวนี่กว่าเราไปอยู่กับคนไม่ดีเขาก็ดึงเราไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองเห็นอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ขาดทุนแต่ถ้าอยากจะกําไรก็ต้องเลือกอยู่กับคนดีคนที่เขา เ, ขเก่งกว่าเรา เขาก็จะดึงเราไปให้ทําในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้เช่นถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้เราไปอยู่กับคนที่นั่งสมาธิได้หรือเขาก็จะชวนต่อไปนั่งสมาธิคําถามจากุณโยโย่ครับกล่าวเรียนถามครับหาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะสามารถสั่งสมบุญได้ไหมครับชาติภพนั้นจะถือเป็นศูนย์ไหมครับเป็นเป็นภพที่ต้องไปใช้บาปภพต่างๆนี้ทําบุญไม่ได้ทําบุญได้ก็น้อยมาก มีภพของมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำบุญได้ทำบาปได้มากเป็นที่ถ้าไปเกิดในอบายนี้โอกาสจะทำบุญนี้มีน้อยมากอาจจะทําได้บ้างเช่นช้างกับเลงที่ไปอุประถารพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องเป็นช้างตัวลิงที่มีมีจิตใจใฝ่ใฝ่บุญอยู่แล้วในใจของเขาแต่ถ้ว่าเขาไม่ทาบาปก็เลยต้องไปใช้บาปด้วยการไปเกิดเป็นสตัตว์เลร้ยงชาง แต่ความจริงเขาเคยทําบุญมามากจิตนี้จิตที่ฝ่ายบุญยังมีอยู่เพราะเขามีโอกาสได้ทําบุญเขาก็จะทําทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มักจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญเลยจากคุณใบไม้ในกํามือครับกลาวธรัสการเจ้าค่ะอยากทราบความหมายของการอธิษฐานจิตคืออะไรและทําอย่างไรคะอันนี้เหมือนเคยถามหนึ่งตอนคือ<ล>การ<ล>อธิษฐ า, านจิตที่ญ <c oughs> าติโยมเข้าใจกันนะัคือเป็นการขอ ขอให้ได้นูนขอให้ได้นี่ก่อนจะใส่บาตรก็นั่งขอกันว่าขอให้ล่ําให้ด้วยขอให้ถูกหวยเ่อวันนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นคําอธิษฐานที่เราที่ใช้ในศาสนาคําอธิษฐานนี้เป็นการบอกไม่เราตั้งใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขอให้ให้ได้ใส่บาตรทุกวันอย่างนี้ก่อนที่เราจะใส่บาตรเราก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เราได้ใส่บาตรทุกวันะ เหมือนกับวันนี้กพื่อที่เราจะได้ตั้งใจพรุ่งนี้เราจะได้สายบาตรต่ออันนี้คือการตั้งใจให้เราทำในสิ่งที่ดีเรียกว่าอธิษฐานขอให้เราได้ทำบุญขอให้เราได้รักษาศีลไม่ได้ขอให้ได้หรอขอให้ทำเลยวันนี้ขอให้ขอรักษาศีลเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานวันนี้ขอนั่งสมาธิี่เรียกว่าอธิษฐาน ถ้าไม่ถ้าไม่ขอไม่ไม่ตั้งอธิษฐานมันก็จะไม่ทําวันทีเราต้องตั้งตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าวันนี้จะต้องนั่งสมาธิให้ได้นี่แหละคือคําว่าอธิษฐานเป็นอย่างนี้โดยการตั้งเป้าของการกระทําของเราว่าวันนี้เราจะทําอะไรต่อไปนี้เรียกว่าอธิษฐ า, างนงั้นถ้าอยากจะได้ผลจากการกระทำอะไรเราก็ต้องตั้งเป้าก่อนยิ่งคืนนี้อยากจะมาฟังธรรมเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนที่จะมาฟังธรรมว่า คืนนี้ยมาฟังธรรมนะพอถึงเวลาเราเข้ามาถ้าเราไม่ตั้งเป้าเนี่ยว่าเวลามีทีวีมีรายการดีเราเข้ไปดูละครแทนก็ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งอธิษฐานไม่ว่ า, าจะมาฟังธรรมกันแต่เพราว่าตั้งอธิษฐานแล้วถึงแม้จะมีละครดีแล้วหวังไม่ได้ไม่เอาวันนี้ตั้งใจจะมาฟังธรรมเราก็จะได้ฟังได้ทำในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ คำถามจากคุณฟิโอน่าครับการระลึกถึงความตายสบายนักเป็นอุบายให้จิตปล่อยวางกับร่างกายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะใช่เพราะมันเรามักจะลืมนะเราบ่อยจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเดื่อยๆพอเราคิดถึงความตายแเราก็รู้ว่าวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องเจอจุดจบของมันพอเรารู้ว่ามันต้องจะจุดจบเราก็เลยน้อมใจของเราให้ปล่อยวางคำถามจากคุณจีรศักดิ์ครับ กาเปียนถามหลวงพ่ออีกคำถามครับการที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องเห็นวาระจิตคนอื่นครับไม่จำเป็นหรอกคือความสามารถพิเศษนี้ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมขั้นสูงขั้นต่างๆมันเป็นเรื่องของอุปจารสมาธิเรื่องอภินยาเรื่องของความสามารถพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ คือคนที่เข้าอุปจาระสมาธิได้นี้สามารถระลึกชาติได้สามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับกายทิพได้แต่ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถทําให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เพราะไม่ใช่เป็นปัญญาผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ต้องมีต้องมีปัญญาคือมีคือเห็นไตรลักษณ์เห็นเนืยืสัตว์เท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่บรรลุธรรมการสูงสุดนี้ไม่เกี่ยวกับการมีอาการบรรลุอภินิย่าคนละเรื่องกันไปคนละทางกันจักคุณนัตตาครับการฆ่ามดฆ่ายุงกับแม่ค้าที่ฆ่ากบฆ่าปลาและการฆ่าสัตว์ใหญ่หรือฆ่ามนุษย์ไม่ทราบว่าบาปต่างกันไหมครับถ้าเป็นเจตนาทั้งหมดโทษต่างกันโทษของบาปต่างกันสัตว์ที่มีมีความดีมีคุณประโยชน์ แต่มีโทษมากกว่าสัตว์ที่ไม่มีคุณประโยชน์นั่นแต่คนก็เหมืนกันคนที่มีคนมีบุญคนกับคนที่ไม่มีบุญคุณฆ่าเขาก็ต่างกันะค่าคนธรรมดาคนที่เราไม่รู้จักนี่ก็ถือว่าเป็นบาปแต่ไม่บาปเท่ากับการฆ่าผู้ที่มีพระคุณต่งเราเช่นพ่อแม่พระพุทธเจ้าพระอาหการฆ่าบุคคลที่มีพระคุณกับเรานี้ถือว่าเป็นบาปหนักเรียกว่า อนาจารยกรรมอนตจารยกรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือเป็นหนักเป็นบาปที่หนักที่สุดร้ายแรงที่สุดโทษจำคุกมากที่สุดก็คืออนาตารยกรรมคือการฆ่าพ่อการฆ่าแม่การฆ่าพระ อ, อรหันต์การทําทให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดทํำลายพระพุทธเจ้าเพ่งแต่ห่อเลือดเท่านี้ก็ถือว่าบาปมากและการทําให้สงฆแตกแยก นี่คือถือว่าเป็นอนันตาริยกรรมไปการกระทําที่หนักที่สุดแต่ถ้าไปฆ่านับโทษนี้บาปน้อยถ้าเป็นทหนารไปฆ่าฆ่าศึกศัตรูที่มาทําร้ายบ้านเมืองของเรานี้บาปอยู่แต่บาปน้อยมันอยู่ที่ว่าบุคคลที่เราไปฆ่านั้นเขามีคุณมีโทษกับเรามากน้อยเพีงเยงไร คำถามสกุณสมมายครับคนที่นอนป่วยเป็นผักไม่รับรู้อะไรมีเพียงลมหายใจไม่สามารถโต้ตอบคนรอบข้างได้จิตวิญญาณของเขายังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทําตามที่เขาอยากให้ทําได้เมือนกับรถเสียเนะ่ะคนขับยังนั่งอยู่ในรถอยู่แต่สตาร์ทไม่ติดรถไม่วิ่ง<อ>แล้วก็คนขับก็ถูกล้อมไว้ออกจากรถไม่ได้ ก็ต้องนั่งรออยู่ในรถนั้นไปจนกว่ารถคันนั้นจะพังผูกพังไปแล้วออกจากรถแยกกันไปได้ถ้าร่างกายหยุดทำงานเมื่อไหร่หยุด้ายใจเมื่อไหร่เมื่อนั้ น, นจิตก็จะแยกออกจากร่างกายได้จากุณกดชะกรครับนักวการกราบเรียนถามค่ะพระอาจารย์บางครั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกบอกว่าเรามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วตัวนี้เรียกว่าอะไรคะกราบนัสการค่ะ คือความจําเำไยอาจจะเคยจําได้ว่าเคยมีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นมาในอดีตชาติพอมันเกิดขึ้นมาอีกมันก็จําได้เหมือนคนบางคนคือเราสึกเคยเห็นเม้ามาก่อนเคยจะรู้สึกเคยพบกันมาก่อนนะแต่เรื่องเม่าเาพบกันที่ไหนนี่ก็อาจจะเคยเจอกันในอดีตชาติก็ได้แล้วพอมาเกิดชาตินี้ก็เจอกันนีกถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนคนเดิมก็ตามแต่กิริยาอาการ เวลาการพูดการกระทำอรต่างมันเหมือนกันนะเพรามันไม่เปลี่ยนนิสัยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนิสัยการพูดการกระทำนี่เหมือนกันเครหัวเราะยังไงก็จะหัวเราะอย่างนั้นเคยพูดยังไงมันก็จะพูดอย่างนั้นร่างกายเปลี่ยนแต่เสียคนไม่เปลี่ยนยังให้สังเกตดูเลยคนเราบางคนที่ไม่เจอกันเป็นสิบสิบปีนี่มองหน่าจําไม่ได้นะแต่พอเขาพูดออกมาคํำสองคํานึกจําได้ทันที จากคุณมิมิมครับขอถามค่ะพระอาจารย์แล้วค้าขายอาหารทะเลบาปไหมคะแต่ในอาหารทะเลก็มีปูเป็นด้วยถ้าค้าของตายไม่บาปถ้าเป็นซื้อของตายมาขายไม่บาปถาเของเป็นมาค้าและวขายนี่บาปจากคุณปูครับกลับไปถามพระอาจารย์ทิฏฐิมานะแปลว่าอะไรครพระอาจารย์ช่วยเจรนายกตัวอย่างคะ่ะทิฏฐิแปลว่าความเห็น มาเนี่ยแปว่าความถือตัวคือการมีความเห็นในการถือตัวเรียกว่าทิฏฐิมานะ่ยบางที่เราก็พูดสั้นๆประมาณนะ่ะคือมีความมีความคิดเห็นในตัวตนว่าตัวมีตัวตนในตัวตนคิดว่าเราเราใหญ่กว่าเขาเล็กกว่าเขานี่เรียกว่าทิฏฐิมานะ่จากคุณทิฏฐาราครับกาศธรรมศการพระอาจารย์ค่ะเคยเดินจมกลมแล้วมีอาการตัวเบาเหมือนลอยได้ ไม่ได้ยินเสียงอะไรอันนี้เรียกว่ามีสมาธิหรือเปล่าคะใช่เวลาจิตสงบสามารถสงบได้ด้วยเวลาเราเดินเพยงแต่ว่าไม่สงบเต็มร้อยเท่านั้นเองเพราะร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่แต่จิตอยู่ในระดับที่ไม่ที่มันเบามันมันสบายเหมือนตัวลอยเนี่ยพอได้ถึงขนาดนี้จะรู้สึกเดินจะกรมได้เป็นหลายชั่วโมงเลยไม่รู้สึกเหนื่ยยไม่รู้สึกอะไรมีความสุขกัการเดิน คำถามจากคุณเบนญาภาครับขายเหล้าบาปไหมครับไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรมาทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นไปกระทำบาปจากคุณแอนนาครับกลบเรียนถามพระอาจารย์วันหนึ่งขณะที่โกรธเห็นสมองเป็นคลื่นไฟฟ้าสั่งการปากพูดออกมาด้วยความโกรธตามไปดูที่จิตตรงกลางอกเห็นจิตนิ่งเฉยสงบไม่สามารถให้บังคับให้ปากหยุดพูดได้และไม่สามารถบังคับจิตได้ ให้ทราบเหมือนกันนะแสดง ว, ว่าไม่รู้นะขณะที่โกรธ ถ, ถ้าหยุด ไ, ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติจากคุณแอนครับการรำศกาการ์การที่เราฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวถือว่าเป็นบาปไหมคะบาปบาปเหมือนกันแต่มีบาปมากบาปน้อย จากคุณแม่โอ๋ครับกราพระอาจารย์คาหนูเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ยมูลไส้เดือนไส้ต้นไม้และขายตัวไส้เดือนให้คนที่สนใจหนูบาบไหมคะพยายามาอาชีพเสริมให้เกิดไรายได้แต่ก็กลัวบาบค่ะถ้าไม่ฆ่าก็บะไม่บาบแต่เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการค่าแต่ถ้าฆ่าด้วยก็บาะขายด้วยนะอยู่ที่ว่าฆ่าไม่ฆ่าถ้าไม่ฆ่าก็ยังไม่บาบ จากคุณบีครูครับการรัช ก, การพระอาจารย์ขานหนูเพิ่งมาฟังครั้งแรกขานหนูมีคําถามสอบถามสองคำถามข้อที่หนึ่งคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตจากโควิดไปคิดถึงคุณแม่มากๆไม่ทราบว่าควรทําอย่างไรดีคะให้หลุดจากความทุกนี้ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งที่เวลาคิดถึงคุณแม่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคุณแม่เพราะมันเป็นคุณแม่ก็ไปแล้วจากนั้นเวลาคิดไปก็ไม่ได้ทําให้เราเกาิดประโยชน์อะไรกลับไป คิดเวลาจะทําให้เราเศร้าใจเสียใจยังตอนนี้ไม่ควรคิดถึงคุณแม่ควรหยุดคิดก่อนไว้ให้แผลในใจหายก่อนแล้วต่อไปพอแผลหายแล้วต่อไปเวลาคิดถึงคุณแม่ก็จะไม่เศร้าใจช่วงนี้เวลาคิดก็ต้องใช้ยายาที่จะหยุดความทุกข์นี้ก็คือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือการสวดมนต์ไปภายในใจอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคุณแม่เพราะไม่คิดถึงคุณแม่ความทุกข์ก็จะหายไป สองคำถามที่สองครับถ้าเกิดเราเสียชีวิตเราจะได้เจอคุณแม่ที่เสียไปไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่แน่นอนนะเพราะว่าบุญกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเวลาที่ตายก็ไม่ไม่ใช่เวลาเดียวกันอโอกาสที่จะไปเจอกันหรือไม่ก็อาจจะมีอาจจะไม่มีก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกําหนดได้ จะคุณเมตตาครับ ก, บการธรรมนัส ก, การถามพระอาจารย์ถ้าเรากําลังทําสมาธิแล้วนั่งหลับสับปงบเป็นไรไหมคะพยายามฝืนแล้วคะ่ะไม่เป็นอะไรเพียงแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เหมือนกับนอนนั่นแหละก็ล้มลงไปนอนดีกว่ายอมรับสภาพว่าตอนนี้เราง่วงนอนหรือว่าเราไม่มีสติพอที่จะทั้งควบคุมใจไม่ให้ง่วงได้หรือถ้าเรายัางอยากจะได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิเราก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนแล้วลุกขึ้นมายืนก่อนก็นกได้ แล้วก็ยืนสมาธิไปเดินสมาธิไปก่อนจนกว่าจะหายง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งค่ะำถามจ้าคุณอัญชลีครับเรียนถามค่ะเคยฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วลอยน้ํามาแล้วเรากระโดดลงไปช่วยขึ้นฝั่งปลอดภัยอย่างนี้ต้องทําบุญอย่างไรให้ท่านไหมคะกับเรียนถามเจ้าค่ะมันก็เป็นเรื่องของความฝันก็ได้หรือเป็นเรื่องของคุณแม่มามาหาเราก็ได้ แต่ถ้าที่ฟังเรื่องดูนี่ก็คงไม่ใช่เป็นที่คุณแม่มาหาเราเป็นเรื่องที่เราฝันคิดไปถึงท่านเองแต่โดยธรรมเนียมของชาวพุทธเราเวลาเราฝันในคนตายไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเราก็ทําเผื่อไปก็บเรากันทำเงินทิ้ไปก็ได้คําถามจากคุณพิทพงครับการรับราชการพระอาจารย์ก่อนเรียนสอบถามกรณีคารวาสบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ต้องชีวิต ต้องเสียชีวิตห่าภายในเจวันใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เนาะไม่เกี่ยวกันะคำถามจะคุณแมนครับทําสมาธิแล้วเหมือนอยู่ในอวกาศเวงว่างสงบลึกซึ้งทําถูกไหมครับถูกต้องเวลาจิตสงบก็จะเหมือนอยู่ในอวกาศอยู่กับความว่าคุณเบญภาเวลาพ่อแม่ด่าเราแต่เราบอกเหตุผลแต่เขาว่าเราแปลเจตนาเราว่าเถียงเราบาปไหมคะ ไม่ควรหรอกเวลาพ่อแม่ด่าเราก็ขอให้เราคิดว่าเป็นการสั่งสอนเรา <c oughs> ถึงแม้ว่าท่านอาจจะสอนผิดสอนถูกก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะสอนเราตามความรู้ตามความสามารถของท่านเราควรจะน้อมเข้ามารับด้วยความเคารพด้วยความซาบซึ้งว่าท่านอย่างเมตตายังเป็นห่วเป็นใจเราอยู่ยังต้องสอนต้องบอกเราอยู่ ส่วเราจะทําตามที่ท่านสอนหรือไม่เรามาพิจารณาดูความผิดถูกต่อไปก่อนแต่ในขณะที่ท่านสอนเรานี้อย่าพูดอะไรอย่าเถียงเพราะจะทําทให้ท่านเสียใจเวลาเราต่อไปเวล า, เาสอนลูกแล้วลูกมันเถียงเราเราจะรู้สึกอย่างไรให้มองกลับมุมตรงกับมุ ม, ม, ม, ม, มกลับบ้างแล้วเราจะได้รู้ถึงความรู้สึกของของบิดามารดาเวลาเขาสอนเราแล้วเราเถียงกับเขาว่าเป็นอย่างไร คุณเปิดเบ้นนะครับน้กากล่าวธรรมสการ์พระอาจารย์ขอเรียนถามว่าเรานั่งสมาธิภาวนาถ้าเราจะได้ขั้นปฐมฌานจะต้องนั่งจนรู้เห็นอะไรบ้างครับก็ไปอา่นนอปานดูในหนังสือเกี่ยวกับปฐมฌานท่านบอกว่ามีวิตออกมีวิจารนมีอะไรต่างๆแล้วก็จำไม่ได้แต่ความจริงเราไม่เวลานั่งจริงๆเราไม่เราไม่มานั่งมาเฝ้าดูว่าเราอยู่ขั้นไหนหรอกเพราะถ้าไปนั่ง นั่งวัดขั้นว่าเราอยู่ขั้นไห น, นมันจะไม่ได้เข้าขั้นแต่ขั้นไหนเลยเวลานั่งให้เราต้องการหยุดคิดในเวลาเรานั่งเราเพียงแต่ดูลมไปแล้วพุโทโธไปเพียอย่างเดียวแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปขั้ น, นตา่างๆถ้าเราสามารถมาวิเคราะห์ตอนที่เราออกจากสมาธิได้ว่าออกเมื่อกี้เราอยู่ในขั้นนั้นนะเมืกก่อกี้เราอยู่ในขั้นนี้นะแต่ในขณะที่เราทํานี้เราจะไม่ไม่ไม่มานั่งคิดถึงขั้นเราอะไรเหล่า น, นี้ ต, าตา่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ขั้นไหนแล้วเราจะรู้เอง เวลาออกจากสมาธิมาเราก็สามารถวิเคราะห์ได้กาเมื่อกี้นั่งแล้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แสดงว่าอยู่ในขั้นนี้นะเป็นต้นจากคุณกัญญาลัตครับขอากาบเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เราทําบุญบบกับวัดหรือพระเราจําต้องพูดสาธุหรืออธิษฐานไหมคะถ้าไม่พูดจะได้รับบุญไหมคะไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทํานี่ก็ถือว่าได้บุญทันทีแล้วก็ไม่ต้องอธิษฐานขออะไรเพราะ บุญมันได้ ท, ทันทีขออย่างอื่นมันก็ไม่ได้ได้แต่ขอขอที่เกิดจากการกระทําของเราทําบุญก็ได้บุญจะไม่ได้ดลาวยศสรรเสริญสูงใดอย่างใดจากคุณกิตกรครับการน้ำระสการพระอาจารย์ครับทำไมงานบวชต้องจัดงานต้องมีดนตรีด้วยครับมันผิดแปลกไปจากสมัยพุทธกาลหรือเปล่าแท้จริงแล้ววิธีบวชควรจัดอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของของธรรมเนียมที่ คนทางโลกเอามาใช้กับการบวชความจริงการบวชจริงๆนี้ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเพียงแต่ไปหาพ้าบวชให้แล้วก็มีผ้าวอนศีรษะมีผ้าไตโกศีรษะไปหาผ้าอย่างสมัยก่อนคนอยากจะบวชกับพุทธเจ้าก็พองศีรษะคนผมแล้วก็เอาผ้าไตาไปชุดหนึ่งแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขออนุ ญ, ญาตบวชพระพุทธเจ้าบอกเ อ, อ่อจะมาเป็นภิกษุเถิดก็จบก็บวชได้แนละ้ว เรื่องของการบวชนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพเรื่องการงานเลี้ยงต่างๆเรื่ององา น, นเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมทั้งโลกซึ่งเราอาจจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสชวนเชิญญาติพี่น้องญาติสนิทมิตสหายมาละมาร่วมรับรู้มาแสดงความยินดีกับลูกกับผู้ที่บวชก็ได้อ น, นี้มันเป็นเรื่องของสังคมทั้งโลกซึ่งเรามากจะแต่เวลาเราทําอะไรเรามัก อ, อยากจะให้ญาติสนิทมิตสหายมาร่วมด้วย แต่งานเราก็เชิญ ญ, ญาติสนิทมิตสาหายมาเวลามีงานศพญาติสนิทมิตสาหายก็มาร่วมกันมาให้กำลังใจกันอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกเขาจะจะทำทำนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีงานต่ตตางๆเหล่านี้จะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกา ร, รบวชแต่ย่างได คำถามจ้าคุณสุกทุกอยู่ที่ใจครับพี่ชายอยู่ต่างประเทศเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมารดารักเขามากพวกพี่ๆน้องๆรู้แล้วพี่ต้องตายแต่ไม่กล้าบอกมารดากลัวจะรับไม่ได้ควรบอกมารดาหรือทําอย่างไรดีครับก็ถ้าแม่ไม่ได้ถามก็ไม่ต้องบอกถ้าแม่ถามก็บอกไปหรือถ้าเห็นว่าถ้าบอกแล้วจะทําให้แม่ตายตามไปด้วยก็อย่าเพิ่งบอกก็ได้ถ้าไม่อยากถ้ายังไม่อยากให้แม่ตาย จากคุณฮอนพันธ์ครับการธรรมสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นคือรู้ว่ามีกลิ่นแต่ไม่รู้ว่าหอมหรือเหม็นริมรสสักแต่ว่าริมรสคือรับรู้รสของอาหารแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือการได้ยินเสียงแต่ไม่ได้รับรู้ความหมายของสิ่งนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกรับรู้รู้ว่าหอมหรือไม่มหอมเห็นแต่ว่าไม่ให้มันไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ก็อยากไะเย็นดียินร่ากับมันต่างหให้รู้เฉย นัวมันหอมก็รูวมันหอมนัวมันเหน็บก็รู้ว่ามันเหน็บแต่ไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาอะไรกับมันจากคุณนัดบรุณีครับกลาวธรรมสการเจ้าข่าจําเป็นไหมครว่าหลังจากทําบุญไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรไปวัดการบริจาคทานสิ่งของปล่อยสัตว์หรือการทําบุญในรูปแบบต่างๆต้องกรวดน้ําแผ่บุญกุศลไปอย่างสังกัตส์เจ้ากรรมในเวรของเราทุกครั้งกลาวอรรมสการเจ้าค่ะอยู่ที่เราถ้าเราอยากจะแผ่ก็แผ่ไนดะ้ไม่ไม่อยากจะแผ่ก็ไม่ต้องแผ่ ไม่ต้องใช้น้ำก็ไนดะ้ไม่มีน้ำก็แผ่ได้ถ้าอยากจะแผ่เพียงแต่ละลึกภายในจิตใจของเราเท่านั้นเองขออีกคำถามสุดท้ายนะครับพรอาจารย์ครับจากคุณวิทยาครับกลับยนถามพระอาจารย์อีกครั้งค่ะโดยปกติเป็นคนวัยวายเสียงดังขี้วีนขี้วัยวายแต่พอมาศึกษาธรรมและฟังธรรมสม่ำเสมอจิตใจมันอ่อนโยนลงและมีสติมากขึ้นอย่างนี้ถือว่าเราเข้าถึงธรรมบ้างแล้วใช่ไหมคะ ใช่ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจไปในทางที่ดีก็ถือว่าทำงานให้เข้าสู่ใจแล้วนะครับพระอาจารย์สามทุ่มครึ่งพอดีครับอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ น, นะครับวันนี้มีคนฟังธรรมจากทางเฟซบุ o กแปดร้อยหนึ่งคนครับจากยูทูบเจ็ดร้อยสิบสองคนจากขับเท้าสิบห้าคนครับมีคนรวมฟังธรรมวันนี้ด้วยกันพร้อมกันหนึ่งพันห้ารอยยสบเก้าคนนะครับพระอาจารย์ครับสาธุยินดีเป็นอย่างยิ่งในการ ในความยินดีในความสนใจในธรรมของท่านทั้งหลายเพราะวความยินดีความยินดีในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชะนะรถทั้งปวงเขาคิดว่าพอสมควรแก่เวลา้าขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิ น, นพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เทิร์นสาธุก็ขอลาทุกท่านไปลาคุณหมอไปแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเดิมครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับโอเคไปแล้วนะครับกลับต้องสียการครับผม